ลูกท่านเกเลเกษรลูกท่านไม่ดีออกนอกอู่นอทางท่านอย่าไปตีอย่าไปตามด่าอย่าไปว่าลูกเดี๋ยวมันจะเกลียดมันจะไม่มีอะไรผูกพันแต่ประการใดขอหยายดยอมผู้เป็นบิดามารดาโปรดแผ่เมตตาให้ลูกอย่างตามก็สวดภาวนากาและประทําจิตใจสบายทั้งสา ม, มีภรรยาตั้งใจที่สมกุศรให้ลูกที่เกเลเกษ ร, กรขอให้ลูกกลับลายกลายดีนะลูกนะ ห้อยลูกอยู่เปนเยืออยู่เย็นเป็นสุขเจริญสุขเจริญยศเจริญอภรถฐานวิชาการรับรองลูกกลับไายกิริยนี่วิธีแก้บอกวิธีแก้ฮัดท่านไม่ต้องไปตามไปด่าลูกไปตีลูกอย่าไปเข้าข้างลูกนะลูกทําเลวเสียหายอย่าเข้าข้างลูกส่วนมากพ่อแม่จะเข้าข้างลูกทําให้ลูกเสียหายอีกต่อไปมากมายอย่าเข้าข้างลูกแต่ประการใด